ตอนที่หนึ่งร้ในที่สุดก็ต้องมีวันจากลานิสัยน้องสาวของพี่ค่อนข้างรับมื อ, อยากคนที่นางถูกใจเกรงว่าจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความรู้สึกของทั้งสองคนถล่าลึกไปมากกว่านี้ทางที่ดีควรเตรียมการไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เกิดปัญหาตอนที่พี่สั่งให้พวกเขาแยกทางกันและทั้งคู่ก็มาตีโพยตีภายทําตัวเป็นคู่รักผู้อาภัพลิวานเอ่ยเย่อแย่แต่ว่าอายุที่เริ่มมีความรักนี้ไม่น้อยไปหน่อยหรือคะ ไม่เรียนหนังสือแล้วหรือถึงได้เริ่มมีความรักได้แล้วอายุขนาดนี้ก็พอจะมีความรักได้แล้วและให้พวกนางได้ดื่มด่ากับความรักไปเถอะหยวนเศร้าเหิงเอ่ยถึงตรงนี้ดวงตาก็จ้องมองหลีหวานด้วยความจริงจังต่อไปพวกเราไปกินข้าวกันเถอะพี่รู้ว่าแถวนี้มีร้านอาหารร้านหนึ่งรสชาติไม่เลวเลยครั้งก่อนที่ออกมาคุยธุรกิจพี่ก็คิดไว้ว่าถ้ามีเวลาจะพาเจ้ามาลองชิมดูตกลงค่ะสิ่งที่หยวนเศร้าเหิงรับประกันว่าอร่อยรสชาติต้องไม่ธรรมดาแน่นอน หลังจากทั้งสองกินข้าวเสร็จยืนเศร้าเหิงก็เตรียมจะไปส่งนางที่บ้านเมื่อรถจอดลงที่หน้าประตูต้ยหยวนลีวานเห็นว่าเขาไม่มีทีท่าว่าจะลงจากรถจึงเลิกคิ้วขึ้นที่ไม่เข้าไปข้างในหรือคะไม่รีบรอกชายหนุ่มบอกว่าไม่รีบไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าไปรีว่านรู้สึกสงสัยในใจหรือว่าเขามีอะไรจะพูดนางเองก็ไม่ได้ขยับตัวดวงตาจ้องมองเขาขเขม็ง เครื่องหน้าของหลี่วานจัดว่าสวยงามมากและมีความปรนณี้ปกติแล้วนางแทบไม่ต้องแต่งหน้าเลยเพียงแค่หน้าสดก็งดงามมากและบางครั้งหากแต่งหน้าขึ้นมาก็จะให้ความรู้สึกที่สวยสะดุดตาเป็นพิเศษบรรยากาศภายในรถกําลังดีหยวนเซาห์เหิงโน้มตัวมาทางนางอย่างควบคุมไม่ได้หลีหวานที่นั่งอยู่บนเบาะผู้โดยสารรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจแทบจะ ก, กระดอนออกมาจากลําคอจุมพิกของหยวนเซาห์เหิงช่างแตกต่างจากตัวตนของเขาเหลือเกินเมื่อแยกจากกลมหายใจของหลี่วานก็ปั่ป่วนไปหมดพี่ ก๊กก ok ๊ก ok, กระจกรถถูกเคาะขึ้นกระทันหันหลีหวานสะดุ้งโยงพอนางเห็นชัดว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกรถเป็นใครมุมปากก็กระตุกทันทีเจิ้งเซาหยางนางสงสัยอย่างมีเหตุผลว่าการกระทําที่เขาเคาะกระจกรถเมื่อครู่นี้เป็นความตั้งใจเหมือนเป็นการแก้แค้นที่พวกเขาแสดงความรักกันในขณะที่เขาไม่มีคู่ที่ครับผมว่าพวกพี่สองคนก็น่าจะจูบ ก, กันตรงไหนก็ได้ทําไมต้องมาจูบ ก, กันที่หน้าประตูบ้านเราด้วย โชคดีนะที่เป็นผมที่เดินออกมาถ้าเกิดเป็นคุณอาหรือไม่ก็คุณปูล่ละก็คงได้ถูกพวกพี่ทําให้ตกใจจนแย่แน่เจิงเศร้าอย่างยกยิ้มที่มุมปากเมื่อครูเขาตั้งใจจริงๆหยวนเศร้าเหิงมีสีหน้าจนใจเขาเปิดประตูลงจากรถหลีหวันรีบตามลงมาทันทีพวกท่านไม่ได้มีสายตาดีเหมือนเจ้าหรอกหยวนเศร้าเหิงเหลือบมองเขาปราดหนึ่งแล้วจะออกมาทําไมเขาไม่เชื่อหรอกว่าเจิงเศร้าอย่างจะตั้งใจออกมาเพื่อรอพวกเขา ออกมาสูดอากาศหน่อยครับในบ้านมันอึดอัดเจ้งเศร้าอย่างเอ่ยด้วยน้ำเสียงว่าวุ่นใจพลางยกมือขึ้นนวดหัวคิ้วที่ว่าเมื่อก่อนทำไมผมถึงไม่รู้สึกว่าคุณปู่คุณย่าขี้บ่นขนาดนี้นะผมรู้ว่าพวกท่านหวังดีกับผมแต่ตอนนี้ในใจผมมีคนที่ชอบแล้วผมไม่สนใจคนที่พวกท่านแนะนํามาให้เลยสักนิดหยวนเศร้าเหิงเห็นท่าทางปรักปรุ่มของเขาดูเหมือนอยากจะหาใครสักคนไปดื่มด้วยจึงยกมือขึ้นตบไหล่เขาเป็นการปลอบใจเรื่องนี้เจ้าก็พูดกับคุณปู่คุณย่าให้ชัดเจนไปเลยไม่ดีกว่าหรือ อายุขนาดเจ้าคนอื่นเขาก็แต่งงานกันหมดแล้วคุณปู่คุณย่าคงอยากเห็นเจ้าเป็นฝั่งเป็นฝาถึงจะวางใจได้พี่ยังไม่แต่งงานเลยผมไม่รีบหรอกครับเจ้งเศร้าอย่างเอ่ยพลางนึกอะไรบางอย่างได้น้ำเสียงอยู่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะลองอย่างเชิงถามถึงสถานการณ์ของหยวนเหยิยนเหยิยนเหยิยนเหยิยนละครับนางกําลังยุ่งอะไรอยู่อยู่บ้านหยวนเศร้าเหิงเอ่ยเสียงเรียบพวกเจ้าสองคนคนหนึ่งคือน้องสาวของพี่อีกคนคือพี่น้องของพี่ ในใจพี่น่าสนับสนุนให้พวกเจ้าอยู่ด้วยกันแน่นอนแต่เรื่องของความรู้สึกมันไม่มีอะไรแน่นอนต้องดูความต้องการของพวกเจ้าทั้งสองฝ่ายพี่จะเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่งตอนนี้ในใจของเหยียนเหยียนเองก็มีคนที่ชอบแล้วถ้าเจ้าตามตื้อนางมากเกินไปเกรงว่าจะรังแต่จะทาให้นางราคาญเรื่องนี้คงต้องวางแผนกันใหม่ตั้งแต่ต้นอ้าวสีหน้าของเจิ้งเศร้าอย่างเปลี่ยนไปทันควันใครครับนางชอบใครไม่รู้สิ หยวนเศร้าเหิงยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครเจริงเศร้าหยางคอตกทันใดนั้นก็รู้สึกกระตุ้มยิ่งกว่าเดิมก็ได้ครับผมเข้าใจแล้วแต่เจ้าก็ไม่ต้องท้อแท้ไปเรื่องแบบนี้ไม่มีใครบอกได้แน่นอนถ้าชอบก็ต้องพยายามขว่คว้ามาให้ได้ใช้สมองให้มากหน่อยหลังจากหยวนเศร้าเหงิงพูดจบเข้ากับหลี่หวานก็กำลังจะเดินเข้าบ้านเจิงเศร้าหยางรีบเดินตามมาที่ครับงั้นพี่ช่วยสื่อพี่ผมหน่อยได้ไหมว่าคนที่นางชอบนั่นเป็นคนยังไงมีอะไรดีกว่าผมบ้าง ได้ถ้าพี่รู้เมื่อไหร่จะบอกเจ้าแน่นอนขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรหลังผ่านพ้นช่วงปีใหม่หรีหวานก็กลับไปเรียนที่โรงเรียนไปแจ้งผลการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของนางส่งมาถึงนาแล้วตอนนี้นางเป็นนักศึกษาปริญญาโทและหลังจากนี้ก็ตั้งใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกต่อไปการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด จูจ่ๆร่างกายของเซี่ยเหล่าก็ไม่ค่อยดีนักตอนที่ศาสตราจารย์เจียงเอ่ยถึงเรื่องนี้กับนางท่านผู้เท่านก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้หลายวันแล้วเห็นว่าตอนที่ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลช่วงแรกนั้นถึงขั้นต้องเข้าห้องไอซีตอนช่วงปีใหม่ฉันเพิ่งไปเยี่ยมท่านมาเองตอนนั้นท่านยังดูแข็งแรงดีอยู่เลยทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ก็หลังจากที่เธอไปเยี่ยมนั่นและที่เกิดเรื่องเห็นว่าในช่วงปีใหม่กินของมันๆ ม, มากเกินไปร่างกายก็สุดท่วบลงทันที ท่านผู้เฒ่าอายุมากขนาดนี้แล้วร่างกายไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องปกติคนเราพอแก่ตัวลงก็ต้องมีวันแบบนี้กันทั้งนั้นศาสตราจารย์เจงถอนหายใจออกมาอย่างกระทันหันอีกทั้งการที่อาจารย์ของเขามีอายุยืนยาวมาได้ถึงขนาดนี้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลหวานตั้งใจจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลศาสตราจารย์เจงห้าม้ไม่ให้ไปตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเธอไปก็ไม่มีประโยชน์เธอควรจะรู้ว่าต่อให้เป็นหมอที่เก่งที่สุด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเกิดแก่เจ็บตายก็ย่อมไม่มีหนทางแก้ไขมนุษย์เราอย่างไรเสียก็ควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติศาสตราจารย์เจียงเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตอนที่ท่านผู้เฒ่ายังพอมีสติแจ่มใสเมื่อช่วงก่อนท่านบอกกับผมว่าให้เธอตั้งใจเรียนต่อไปเรื่องหลังจากนี้ท่านได้เตรียมการไว้ให้เธอหมดแล้วเตรียมการอะไรคะในใจของหลีหวันรู้สึกไม่ดีเลย การได้คลุกคลีกับท่านผู้เท่ามาเป็นเวลานานย่อมเกิดความผูกพันขึ้นมาแล้วเสียเหล่าเป็นคนปากแข็งแต่ใจดีท่านคอยคิดเผื่อและเตรียมการทุกอย่างให้นางอย่างรอบคอบเสมอก็แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องการเรียนต่อปริญญาเอกของเธอณสิหลังจากเรียนจบแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารหรือโรงพยาบาลประชาชนเธอก็สามารถเข้าทำงานได้ตามใจชอบทางโรงพยาบาลจะเก็บตำแหน่งไว้ให้เธอ ความตั้งใจของท่านผู้เท่าคืออยากให้เธอเข้าทำงานที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารเพราะสภาพแวดล้อมที่นั่นค่อนข้างดีกว่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าพ่อกับปู่ของเธอก็ล้วนแต่เป็นคนมีหน้ามีต า, าศาสตราจารย์เจียงเอ่ยต่อผมคิดว่าครั้งนี้ท่านผู้เท่าอาจจะผ่านไปไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ยังบอกอยู่เลยไม่ใช่หรือเขาว่าท่านผู้เท่าจะอายุยืนร้อยปีตอนนี้ยังขาดอีกตั้งหลายปีกว่าจะถึงร้อยปีนะคะแม่หนู ตอนนั้นผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองคนที่อายุมากแล้วบางเรื่องมันก็ควบคุมไม่ได้หรอกหลีหวานไม่ได้พูดอะไรต่อแม้เขาจะไม่ให้นางไปพบเสียเหล่าแต่นางก็จะไปหลีหวานต้องเห็นท่านพูดเท่าด้วยตาตัวเองถึงจะวางใจได้เป็นอย่างที่ศาสตราจารย์เจียงพูดอาการของท่านพูดเท่าในตอนนี้วิกฤตมาก แม้ว่าจะออกจากห้อง ICU มาแล้วและพักรักษาตัวอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยทั่วไปแต่สติสัมปชัญญะของท่านก็มีบางช่วงที่จ่ำใสและบางช่วงที่เลอะเลือนอวัยวะภายในต่างๆของร่างกายเริ่มค่อยๆเสื่อมสภาพลงตามลำดับ